วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30เมษายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความเย็นของสายฝนที่ตกลงมาทำให้มีอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นสบายเหมาะสมกับการฟังเทศฟังธรรม เพื่อเกิดความสุขเกิดประโยชน์ให้แก่ชีวิตจิตใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งที่เราควรจะศึกษาควรที่จะเรียนรู้เพื่อให้เกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นก็คือเราควรจะศึกษา เรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าการมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะนําให้เราได้มาพบกับประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ที่เราจะไม่เคยได้พบมาก่อนจะไม่ได้จากที่ไหนจะได้เพียงที่เดียวก็คือจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การที่เราจะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จำเป็นจะต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่ออย่างไรเชื่อความจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านเป็นใครท่านเป็นอะไรท่านมีอะไรที่จะมอบให้กับพวกเรา นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะศึกษาทําความรู้จักทําความเข้าใจเพื่อที่จะได้เกิดศรัทธาความเชื่อที่จะนำไปสู่การศึกษาและการปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามลำดับต่อไปเพราะถาว่า ถ้าเราไม่มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่ได้นําเอาไปปฏิบัติเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ที่จะเกิดจากการปฏิบัตินั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาในเบื้องต้นก็คือ พระพุทธเจ้าท่านเป็นใครท่านมีความสำคัญอย่างไรถึงถึ ง, ถ, งถึงที่จะทำให้คนในโลกนี้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในตัวของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่วิเศษถ้าพูดตามภาษา ของสมัยใหม่ท่านก็คือซูเปอร์แมนนี่เองท่านเป็นบุคคลที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราทั้งหลายท่านสามารถรู้และสามารถทำในสิ่งที่พวกเราไม่สามารถที่จะรู้และที่จะทำได้ด้วยตนเองสิ่งที่พระพุทธเจ้า ทรงรู้ก็คือทรงรู้อริยสัจสี่ความจริงสี่ประการของชีวิตแล้วก็รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกิจในพระอาริยสัจสี่ให้สำเร็จรู้เรื่องเมืม่อท่านได้รู้และได้ปฏิบัติ กิจในพระอริยสัา ส, สี่จนสำเร็จรู้ร่วงไปแล้ว<ม>สิ่งที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติการรู้นี้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง<ม>ความทุกข์ต่างๆภายในใจ<ม>จะหายไปหมดมมความทุกข์เช่นเกี่ยวกับความเศร้าโศกความเสียใจความวุ่นวายใจ ความความวิตกกังวลความห ว, วาดกลัวความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจของพวกเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้กำจัดมันหมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์เองด้วยการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองและด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งสามารถทำให้ใจของท่านนั้น ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความทุกข์ต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในใจของพระพุทธเจ้าภายในใจของพระพุทธเจ้านั้นมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนี้ปรารถนากันพวกเราทุกคนนี้อยากจะมีความสุขใจกันแต่ เรามักจะไม่ได้ความสุขใจตามที่เราปรารถนากันถ้าได้ก็ได้เป็นเพียงบางครั้งบางเวลายังไม่สามารถที่จะได้ความสุขใจได้ตลอดเวลาเพราะเรายังไม่มีความสามารถและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสุขใจของความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไร และวิธีที่จะกำจัดความสุขใจความทุกข์ใจนี้จะทำานี่ยกจัดความทุกข์ใจให้หมดไปจากใจนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ใจนั้นมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเราจึงต้องมีเราต้องต้องมีคนสอนเราคนที่จะสอนเราได้ก็คือพระพุทธเจ้านี่ ถ้าเราอยากจะมีความสุขใจเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการมีความทุกข์ใจไม่ต้องการความวุ่นวายใจไม่ต้องการความวิตกความกังวลความหวาดกลัวต่างๆเราต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระ อ, อริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้า<ม>ผู้ที่มีความรู้ที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ใจต่างๆที่มีในใจของพวกเรานี้ให้หายไปหมดได้<ม>ให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขใจเพียงอย่างเดียวอัน<ม>นี้คือสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้ต้องทความรู้จักก็คือ พระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงความทุกข์ทางด้านจิตใจความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความหวาดกลัวความวิตกความกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าและนอกจากนั้นใจของพระพุทธเจ้าก็ยัง ไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกต่อไปด้วยไม่ต้องกลับมามีร่างกายที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บที่จะต้องตายจึงทำให้ใจของพระพุทธเจ้านี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงถ้าตราบใดยังมีการมาเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์ใจอยู่เพราะเมื่อมีการเกิด ก็ย่อมมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายตามลำดับนั่นเองซึ่งไม่มีใครต้องการที่จะเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ถ้าถ้ามาเกิดแล้วต้องเจอแน่ๆเมื่อเกิดแล้วต้องเจอความแก่เจอความเจ็บและเจอความตายกันด้วยกันทุกคนแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า วิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ <F an> คือการไม่มาเกิดนั่นเองและการที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องหยุดเหตุที่พาให้มาเกิดเมื่อหยุดเหตุที่พาให้มาเกิดได้การเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นและการที่จะทำให้เหตุที่ทำให้เรามาเกิดนั้นหมดลงได้ก็ต้องมี เครื่องมือเครื่องมือที่จะทําให้หยุดความอยากหยุดเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันเครื่องมือนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาเครื่องมือที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาด้วยพระองค์เอง <c oughs> แล้วเมื่อสามารถนําเอาเครื่องมือนี้มาหยุดเหตุที่พาให้เรามาทุกพาให้เรามาเกิดได้응 <c oughs> ความทุกข์ทั้งหลาย ที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมด น, น, นี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าคือพระองค์เป็นผู้ที่ได้ค้นพบความจริงอันประเรสริฐสี่ประการด้วยกันที่เรียกว่าอาริยสัจสี่ความจริงสี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกขสัจความจริงที่ ความทุกข์ที่เป็นความจริงอย่างหนึง่งความทุกข์ที่เกิดความทุกข์ที่ตามมากับการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่ว่าใครก็ตามถ้ามาเกิดแล้วนี่จะต้องทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกเพราะว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่อันนี้เป็นความจริงข้อที่หนึ่งเรียกว่าพระอริยสัจข้อที่หนึ่ง มีชื่อว่าทุกขสัจจะทุกขสัจจะความจริงข้อที่สองที่พระองค์ทรงค้นพบก็คือสบุทัทยสัจจะแปลว่ากําเนิดหรือต้นเหตุของความทุกข์ใจว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้เรามาเกิดกันอะไรที่ทำให้ใจของเราต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกัน อันนี้คืออริยสัจข้อที่สองคือสมุทยัทยสัจจะสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจ<ม>ต้นเหตุของความทุกข์ใจได้แก่อะไรทรงคตเรร่มว่าได้แก่กามตัณหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลถะความอยากเสพกา ม, ม, มแล้วก็ข้อที่สองวิภาวะตันภาวะตัณหาความอยากจะเสพ ความสุขความสงบของรูปฌปานเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็ข้อที่สามความอยากเะเสญความสุขของอรูปฌปานเรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้ามีตัณหาทั้งสามอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจของเราใจของพวกเรานี้บางคนก็มีกามตัณหาบางคนก็มีภาวะตัณหา บางคนก็มีวิภาวะตัณหาการมีตัณหาความอยากทั้งสามนี้เป็นตัวที่พาให้ใจของพวกเรามาเกิดในสามภพด้วยกันถ้ามีกามตัณหา<ส>ก็จะมาเกิดในกามภพ<ส>ถ้ามีภาวะตัณหาก็<ส>จะมาเกิดในรูปภพ<ส>ถ้ามีวิภาวะตัณหาก็<ส>จะมาเกิดในอรูปภพ ภาวตัณหาก็คือความอยากความอยากหาความสุขจากรูปฌปาน<ม>ก็จะพาให้ไปเกิดในรูปภพความอยากที่จะหาความสุขในอรูปฌาน<ม>ก็จะพาให้ไปเกิดในอรูปภพทั้งสามภพนี้เป็นภพที่เป็นภพของการเวียนว่ายตายเกิด เพราะว่าไม่ว่าผู้ใดจะมาเกิดในภพใดภพหนึ่งนี้จะต้องมีการสิ้นสุดลง mm hmm. เพราะว่าเป็นภพที่ไม่ถาวร mm hmm. ถ้ามาเกิดในการมาพบ mm hmm. พอพอหมดกำลังลงพอเหตุที่พาให้มาเกิดในการมาพบหมดกำลังลง mm hmm. ก็จะต้องสิ้นสุดลง mm hmm. เช่นมาเกิดใน มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มนุษย์นี่ถือว่าอยู่ในการมาพบพบของผู้ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะเนี่ยพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ไม่ชอบเสบรูปเสียงกลิ่นรสกันไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ชอบดูไม่ชอบฟังไม่ชอบลิ้มรสไม่ชอบดมกลิ่น ไม่ชอบสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบทางร่างกายที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมามนี่เรียกว่ากามตัญหา<ม>ผู้ที่เสพการมาตัญหาก็จะต้องมาเกิดในกามาพบ<ม>การมาพบนี้ก็ไม่ใช่มีแต่พบของมนุษย์เพียงพบเดียว<ม>นอกจากพบของมนุษย์แล้วก็ยังมีพบของเทวดา<ม>เทวดานี้ก็เสพรูปเสียงกลิ่นรส แต่เป็นรูปทิป์เสียงทิ์กลิ่นทิฟนี่แล้วก็พวกสัตว์เบลฉานก็เป็นพวกที่เสก ร, รูปเสียงกลิ่นลดเหมือนกันสัตว์เบลฉานทั้งหลายเขาก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายเขาก็อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรสอยากจะดมกลิ่นเช่นเดียวกับมนุษย์แล้วเช่นเดียวกับพวกที่ไปเกิดเป็นดวงวิญญาณในอบาย พวกเปรตพวกอาวุธละกายพวกนรกพวกนี้ก็เป็นพวกที่เสพกามด้วยกันเช่นกันนี่คือถ้ามีกามาตัณหาแล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆหาแล้วก็เวลาหาบางทีก็ต้องทําบาป บางทีหาได้มากก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นก็เรียกว่าทำบุญก็จะมีการทำบุญสลับไปกับการทำบาปขึ้นกับเหตุการณ์ว่าจะอะไรเป็นตัวผลักดันให้ไปทำบุญหรือไปทำบาปถ้ามีรูปเสียงกลียลดมากก็จะเอาไปแบ่งให้คนคนอื่นก็เรียกว่าทำบุญ ถ้ามีน้อยก็จะไปแย่งมาจากคนอื่นก็เรียกว่าทาบาปเราทำบุญทำบาปมันก็มีผลต่อต่อดวงใจดวงดวงวิญญาณ เ, เวลาที่ตายจากร่างกายไปดวงวิญญาณนั้นก็จะไปเกิดเป็นเทวดาถ้าถ้าบุญเป็นตัวผลักดันไป ถ้ามีบุญมากกว่าบาปบุญก็จะผลักดันไปให้ไปเป็นเทวดาถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะผลักดันให้ไปเป็นเปรตเป็นอาศุลกายไปนรกหรือไปเป็นสัตว์เลี้ยงฉันนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่เสพกามตัณหาจากวนไปเวียนมาอย่างนี้สลับกันไปมาเกิดเป็นมนุษย์มาทําบุญทําบาป แล้วก็ไปไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปตเป็นอนุสวรกายส่วนพวกที่เสบรูปฌานพวกนี้ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนที่ประเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิเข้าฌานกันเข้ารูปฌานเวลาตายไป ร่างกายร่างกายตายไปใจของเขาก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นรูปประมสวรรค์ชั้นพรมที่มีรูปเรียกว่ารูปประพรมแล้วพอกําลังของสมาธิที่ส่งให้เขาไปอยู่ในรูปประชานนั้นหมดลงเขาก็จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่้วเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มา แสวงหาความสุขจากรูปประจันทรมาเช่นเดียวกับพวกที่แสวงหาความสุขจากอารูปประจานทรงพวกนี้เวลาตายไปก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นอรูปปภมพ อ, อสมาธิที่ส่งให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปปภมหมดกำลังลงพวกนี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมา นั่งสมาธิเพื่อให้เข้าสู่ระดับอรูปฌานใหม่นี่แหละคือตายภพตายภพภพทั้งสามกามภพรูปภพและอรูปภพเกิดจากตัณหาทั้งสามกามาตัณหาพาให้ไปเกิดในกามาภพภาวะตัณหาพาให้ไปเกิดในรูปภพและวิภาวะตัณหา พาให้ไปเกิดในอรูปภพแล้วทุกครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเสพกามมาเสพรูปฌานหรือมาเสพอรูปฌานก็ตามก็จะต้องเจอความทุกข์ของร่างกายเพราะว่าร่างกายเมื่อเกิดแล้วมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปนั่นเองก็จะติดอยู่ในกองทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อย มาเกิดเป็นมนุษย์มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายตายไปก็ไปเป็นพมไปเป็นไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นเปรตเป็นสสารกายไปนรกขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้กระทำกันเอาไว้ mm hmm. ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดหรอ mm hmm. อันนี้คือสัจธรรมข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ mm hmm. ว่าการที่สัตว์โลกเรามาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนในการมะพบในรูปพบในอรูปพบนี้<ม>ก็เกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่ถ้าเราต้องการที่จะยุติความทุกข์ขัานการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คือสัจจะอริยสัจข้อที่สที่เรียกว่านิโรธาสัจจะ การสิ้นสุดของความทุกข์ถ้าเราต้องการให้ความทุกข์มันสิ้นสุดลงมันก็ทําได้แต่วิธีที่จะทําให้มันเกิดขึ้นมานี้ต้องต้องมีต้องมีข้อที่สี่ต้องมีอริยรสยัจข้อที่สี่อริยรสยัจข้อที่สก็คือมรรคมรรคกสัจจะมรรคแปลว่าทางทางที่จะนําไปสู่ การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดมีเหตุพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีเหตุที่จะทำให้มีการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดและเหตุที่จะทำให้สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เรียกว่ามัคมัคก็คือการปฏิบัติที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ หยุดกามะตัาหาหยุดภาวะตันหาและหยุดวิภาวะตันหามักนี้ที่พระเจ้าได้ส่งคนพบวิธีการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เงเรียกว่ามรรคที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆไม่ว่าไปอยู่ไปที่ไหนวัดไหนก็จะสอนให้ทําบุญทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนา นี่ก็คือให้เราสร้างมรรคขึ้นมาสร้างอริยสัจข้อที่สี่ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราสามารถสร้างอริยสัจข้อที่สี่ได้เราก็จะทำให้อริยสัจข้อที่สามปรากฏขึ้นมาได้คือการสิ้นสุดของความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ามรรคอริยสัจข้อที่สี่นี้จะไปทำให้การปัญหาทั้งสามนี้ สิ้นสุดลงหมดลงจะทําให้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่มีอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกนี้หายไปหมดพอไม่มีอริยสัจข้อที่สองคือต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายอริยสัจข้อที่หนึ่งก็จะไม่มีก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มี นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบและได้ทรงปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติอริยสัจข้อที่4คือทําทานสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชรักษาศีลแล้วก็ไปภาวนาไปหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจด้วยกําลังของสติของสมาธิและปัญญา การภาวานานี้เป็นการเจริญสติสมาธิและปัญญาพอใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาใจก็จะสามารถระงับความอยากทั้งสามได้คือการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาได้พอระงรับความอยากทั้งสามได้ก็จะระงรับการเกิดแก่เจ็บตายได้ระงรับทุกข์กสัตย์ข้อที่หนึ่ง ด้วยการปฏิบัติอริยสัจข้อที่สี่เราทุกคนถ้าอยากจะยุติการวินว่าตายเกิดเราต้องมาสร้างมรรคกันมาเจริญมรรคกันมาปฏิบัติมรรคกันคือทานศีลภาวนาเมื่อเราปฏิบัติทานศีลภาวนาได้เราก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากทั้งสามได้พอหยุดความอยากทั้งสามได้เราก็หยุด การเวียนว่ายตายเกิดได้หยุดความทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้วและใด้ปฏิบัติจนใจของพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปใจของพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดนี้เรียกว่านิพพานใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้หายไปหลังจากที่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์แต่อยู่ในส่วนที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดใจของพวกเราก็เป็นใจเหมือนแบบขอเหมือนกับของพระพุทธเจ้าแต่อยู่ในส่วนที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใจของพวกเรายังไปเกิดกันอยู่เพราะใจของพวกเรายังมีกามตัณหามีภาวะตัณหามีวิภาวะตัณหาอยู่ เพราะว่าใจของเรายัางไม่มีมรรคไม่มีทานศีลภาวนาที่จะมาทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมานิโรธก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าเรายัางไม่ได้สร้างทานศีลภาวนาแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับอริยสัจศีและอยากที่จะ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังประสบกันอยู่ในขณะ น, นี้เราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน<ม>ทรงสอนให้เราทาทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนากัน<ม>ทำให้มากๆทำให้เต็มร้อย<ม>ถ้าทำได้เต็มร้อยผลก็จะเต็มร้อย ถ้าทำห้าสิบผลก็จะได้เพียงห้าสิบอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทํากันก็คือมัชมัช ก, ก็คือทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์าการที่เราจะเจริญมัชได้เราต้องมีความเชื่อเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เรากระทํำนี้เป็นความจริงที่จะนําพาเราไปสู่ การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองนี่แหละคือที่มาของศรัทธาความเชื่อ<ม>เราต้องเชื่อในตัวของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่ฉลาดที่มีความสามารถที่จะค้นหาความจริงที่ทําให้พระองค์นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร พอพระองค์ได้ทรงค้นพบความจริงทรงค้นพบทางที่นาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพระองค์ก็ส่งปฏิบัติจนพระองค์เองได้หลุดพ้นจากความทุกข์พอพระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพระองค์ก็เอาความรู้นี้มาสอนผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์คำสอนของพระพุทธเจ้านี็เราก็เรียกว่าพระธรรมนี่พระธรรมคาสอน เป็นเป็นผู้ที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อต้องเชื่อฟังต้องนำเมาไปปฏิบัติพระธรรมาำคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสอนให้เราทําทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนา<ม>ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายกองทุกข์แห่งการยืนไหว้าตายเกิดเราก็ต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทํา ก็คือทำทานรักษาศีลภาวนานี่คือความเชื่อในพระธรรมคําสอนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนให้เราออกจากกองทุกข์ด้วยการกระทําด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องศึกษาก็ทำคําสอนว่าทําทานทําอย่างไรรักษาศีลรักษาอย่างไรภาวนาภาวนาอย่างไร<ม>พอเรารู้จักวิธีทําทานรู้จักวิธีรักษาศีลรู้จักวิธีภาวนาเราก็เอาไปกระทํากัน<ม>พอเรากระทาได้แล้วมักของเราที่เรากระทํานี้ก็จะมาหยุดความอยาก ที่เป็นต้นเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันพอเราหยุดความอยากได้หมดมเราก็จะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปอ น, นี้คือข้อที่สองศรัทธาในพระธรรมคำสอนถึงแม้ว่าตัวพระพุทธเจ้านี้จะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้ามีตัวแทน ที่จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าอยู่สองสองตัวแทนด้วยกันตัวแทนน้กก็คือก็ทำคำสั่งคำสอนคำสอนพระพุทธเจ้านี้มีมากสอนอยู่45ปีด้วยกันสอนวันละสามสี่รอบด้วยกันและทุกครั้งที่มีการสอนก็มีการมีผู้ฟังเอาไปจดจำเอาไปบันทึกเอาไว้แล้วต่อมาก็ได้มีมาบรรจุไว้ในพระครรมภี ที่มีชื่อว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่แหละคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงบอกกับพวกเราตอนที่ท่านจะจากพวกเราไปว่าพวกเรานี้จะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ปราศจากครูบาอาจารย์ปราศจากศาสดา เพราะว่าพระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นี้ที่ได้มีการบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกนี้จะเป็นพระษาสดาแทนพระองค์ต่อไปพวกเราก็เหมือนกับได้อยู่กับพระพุทธเจ้าถ้าเราได้เข้าหาพระธรรมคาสอนเข้าหาพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะหาพระพุทธเจ้าอย่าไปสร้างพระพุตธลูกกัน พระพุทธรูปบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่ตัวแทนเราไม่ใช่เราตัวแทนเราก็คือพระไตรปิฎกพระธรรมคาสอนที่ได้มีบันทึกบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะพบกับพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าให้เรามันศึกษาคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้แหละคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนแรก เรียกว่าพระธรรมเป็นพระรัตนาตรัยองค์ที่สอง<ม>พระรัตนาตรัยองค์แรกคือพระพุทธเจ้า<ม>แต่ตอนนี้พระรัตนาตรัยองค์แรกท่านไม่อยู่กับเราแล้ว<ม>เพราะว่าร่างกายของท่านนั้นตายไปตั้งแต่อายุแปดิปี<ม>เวลาก็ผ่านมาสองพันหกว่าปีแล้วแต่คําสอนของท่านนี้ที่เป็นตัวแทนท่านนี้ยังอยู่กับพวกเราอยู่ อยู่ในพระคำภีชื่อว่าพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าอยากจะรู้จักพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เราเข้าไปหาที่พระคำพีในพระคำภีพระไตรปิฎกไปศึกษาคำสอนในพระไตรปิฎกเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปแล้ว ก็มีตัวแทนคือพระรัตนตรัยองค์ที่สองที่จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนให้เรามาปฏิบัติธรรมกันเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันตัวแทนองค์ที่สามก็คือพระอราลยสงสาวก์ของพระพุทธเจ้าพระอราลยสงสาวกก็คือผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้า มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เข้าหาพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ก็เข้าไปศึกษากับพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ก็ศึกษาจากพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนเมื่อศึกษาก็จะรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างต้องรู้ว่าต้องทำทา น, ต, านต้องรู้ว่าต้องรักษาศีลต้องรู้ว่าต้องภาวนาท่านก็นาเอาไปปฏิบัติ ท่านก็ทำทานสละทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองมีเท่าไหร่ก็สละไปหมดแล้วก็ออกบวชเหมือนกับพระพุทธเจ้าไปรักษาศีลเหมือนกับพระพุทธเจ้าไปภาวนาเหมือนกับพระพุทธเจ้าพอได้ทำทุกอย่างเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรมก็สามารถทำให้ใจของพระสาวกนั้นได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเยิยนว่ายตายเกิดได้ เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นได้ตอนได้หลุดพ้นแล้วก็จะรู้จักวิธีที่จะสอนคนอื่นต่อไปได้ถ้าใครอยากจะรู้วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าหาพระพุทธเจ้าไม่ได้หาพระไตรปิฎกไม่ได้ถ้าไปเจอพระอริยสงสาวุกก็อาศัยท่านเป็นคนสอนเราได้เป็นพระรัตนตรัยองค์ที่สาม เป็นผู้ที่จะนํานำคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเืียนว่ายตายเกิด น, นี้ออมาสอนพวกเราอีกที น, ออนี่แหละคือความหมายของพระรัตนตรยัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนและพระอริยสงสารวกของพระพุทธเจ้าออทั้งสมองค์นี้มีหน้าที่เหมือนกัน มีหน้าที่สั่งสอนบอกทางให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนา<ม> น, นี่แหละคือเรื่องของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงมีแค่นี้เอง<ม>แต่พวกเรามักจะไปหลงกับความงมงายของคนบางคนที่มาหลอกให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นเหมือนพระเจ้า เชื่อพระอริยสงสารกเป็นเหมือนพระเจ้าอยากจะได้อะไรก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าได้อยากจะได้อะไรก็ไปขอจากพระอริยสงสารกได้เพราะท่านมีมีฤทธิ์มีเดชท่านสามารถเสกสามารถเป่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้ดแต่ความจริงนี่เป็นเรื่องของควา ม, มงมงายไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของพระอระิยสงสาวกท่านไม่ทาเรื่องเหล่านี้ ท่านไม่เสกไม่เป่า<ม>ถ้ากายมานั่งมาเสกมาเป่านี้แสดงว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระอริยสง์สาวกของพระพุทธเจ้า<ม>ถ้ากายมาเสกมาเป่ามาลดน้ำมนต์มาทําอะไรต่างๆให้กับเราเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องของความ ง, ง, งมงายเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์จากการกระทําของคนอื่นไม่ได้ คนอื่นมาเสกมาเป่าให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้คนอื่นคนคนอื่นมาอาบน้ำมนต์ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทํากันถ้าเราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าและศึกษาประวัติของพระรยสาวองนี้เราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวองนี้ถ้าไม่ได้เสกไม่ได้เป่าอะไรท่านไม่ได้อาบน้ำมนต์ให้กับใคร มันมีแต่สอนอย่างเดียวสอนธรรมะสอนอริยสัจสี่สอนให้เรารู้ว่าความทุกข์ของเรานั้น <c oughs> เกิดจากอะไรความทุกข์ที่มากับความแก่ความเจ็บความตายนี้เกิดจากอะไร <c oughs> ก็เกิดจากความอยากถามอยากการะตันหาภาวะัญห า, ระะญ ห, าหรือวิภาวะตัญหานี่ <c oughs> แล้การที่เราจะทำให้เราความทุกข์ของเราหมดชิ้นไปได้เราก็ต้องปฏิบัติมรรคกันเราต้องสร้างมรรคกันขึ้นมา มักก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมาปฏิบัติทานศีลภาวนานกันแล้วเราต้องใจเย็นๆไม่ใช่เป็นของที่จะทาปุ๊บได้ปับ๊บเหมือนกับการไปอาบน้ำมนต์หรือกับการไปขอเครื่องรางของขลังขอให้ได้ให้ให้้าเสษเปล่าอะไรให้กับเราตบหัวเราข้อหัวเราอะไรทำนองนี้ การกระทาเหล่านี้มันไม่มีผลอะไรมันเป็นความเชื่อแบบงม ง, งยายเท่านั้นเองแต่การที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆนี้จะต้องใช้เวลาเราต้องมีความอดทนเราต้องใจเย็นๆไม่ใช่ทำปุ๊บจะได้ปั๊บเราต้องหมั่นทาทานหมั่นรักษาศีลหมั่นภาวนากันทำกันไปเรื่อยๆทำไปจากน้อยไปหามาก พอเวลาเริ่มต้นนี้เราก็อาจจะทำได้ไม่มากทำได้แค่สิบนาทียี่สิบนาทีเราก็เราก็หยุดละ<ม>นั่งสมาธิได้ห้านาทีสิบนาทีก็เลิกละอย่างนี้ยังไม่พอนะดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกท่านนั่งสมาธิกันทั้งวันทั้งคืนและไม่ใช่วันเดียวสองวันท่านนั่งกันเป็นปีๆพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำอยู่กี่ปีด้วยกัน ปฏิบัติหกปีด้วยกันถึงจะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาภาษาวกบางรูปท่านก็ใช้เวลานานกว่า จ, จะบรรลุธรรมกันขึ้นมาได้ฉังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมีความอดทนมีความขยันแล้วก็ต้องมีใจเราต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนว่าโอ้จะต้องทำให้ได้ในวันนี้เลยมันไม่ใช่เป็นของที่จะเสกจะเป่าขึ้นมาได้ทันทีทันใด มันต้องใช้เวลาปฏิบัติกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำไปแบบไม่หยุดยัง้งวันใดวันหนึ่งเราก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันทุกคนอันนี้คือเรื่องศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อที่ถูกต้องถ่น เ, เราไปเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสามารถดลบันดาลอะไรให้กับเราได้ อยากจะพ้นทุกจากเรื่องนั้นก็อยากจะพ้นทุกจากเรื่องไม่มีเงินทองใช้ก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าอยากจะพ้นทุกเพราะอยากจะได้ตําแหน่งก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าอยากจะพ้นทุกเพราะอยากจะได้รางวัลต่างๆก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าถ้าไปคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีวันที่จะพ้นทุกได้เพราะว่าพระพุทธเจ้านี้จะไม่สามารถทําในสิ่งที่เราต้องการได้ พระพุทธเจ้าคืองแต่มีหน้าที่สอนเราเท่านั้นเองสอนให้สอนเราให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ว่าดับอย่างไร<ม>แล้วพอเราสอนเราแล้วถ้าเราได้เรียนรู้แล้วสิ่งที่เราต้องทาก็คือเราต้องนำเอาไปปฏิบัติกันเราต้องยึดหลักอัตตาหิอัตโนนาถโถ<ม>ตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้านี้ปฏิบัติให้เราไม่ได้พระอริยสงสาวกปฏิบัติให้เราไม่ได้ เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองแต่สิ่งที่ท่านทำให้กับเราได้ก็คือสอนเราสอนเราให้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างมากถ้าไม่มีถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อให้เรา ป, ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรเราก็จะไม่ได้ผลจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนเพราะการปฏิบัติของเรานั้นจะไม่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถนำผลที่เราต้องการได้นั่นเองดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องมีหรือเราต้องพึ่งก็คือต้องมีคนที่รู้รู้จักวิธีดับทุกข์ว่าดับอย่างไรและคนที่จะรู้จักวิธีดับทุกข์ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นเองังั้นในเบื้องต้นเราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้สอนเราให้เรารู้จักวิธีดับทุกข์ว่าดับอย่างไร พอเรารู้จักวิธีแล้วเราก็ต้องเพิ่มตัวเราเองนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถมาปฏิบัติให้กับเราได้ไม่สามารถมาทำบุญทาทานให้กับเราได้ไม่สามารถรักษาศีลให้กับเราได้ไม่สามารถภาวนาให้กับเราได้ mm hmm. เราต้องเป็นผู้กระทําเอง mm hmm. พอเรามากระทําเอง mm hmm. เป็นอัตตาหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยขันติความอดทนไม่ช้าก็เร็วผลก็จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่าพระอริยสงสาวกที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ที่มีจํานวนอันมากมายนี้ที่ปรากฏขึ้นมาได้ก็เกิดจากการที่มีความเชื่อในพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์เมื่อเชื่อแล้วท่านก็นำเอาท่านก็นำเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยความศรัทธาความเชื่อ<ม>ปฏิบัติด้วยความขยนันหมั่นเพียรวิเลยยปฏิบัติด้วยขันติความอดทนพอท่านปฏิบัติไปในที่สุดท่านก็จะได้บรรลุ ถ, ถึงผลที่ท่านต้องการได้หลุดพ้นจากกองทุกจากของการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>นี่แหละคือหลักของความเชื่อในพระพุทธศาสนาต้องเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้ที่จะสอนทางให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวินม่ายตายเกิดได้เราต้องเชื่อเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ต้องเข้าเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังไปแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติถ้ายังไม่เข้าใจก็กลับมาฟังใหม่มาศึกษาใหม่ศึกษาไปเรื่อยๆสงสัยข้อไหนก็สอบถามได้ถ้ามีโอกาส ตรวสอบถามไปเลือกค้นคว้าหาคําตอบในพระไตรปิฎกในหนังสือของพระอริยบุคคลทั้งหลายก็ได้หนังสือคําสั่งคําสอนของของครูบาอาจารย์พระสุปฏิบัติสุปฏิสุ ป, ป, ส ป, ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาจากคาสอนต่างๆเดี๋ยวความมูลความสงสัยต่างๆก็จะหายไป หายไปแล้วเราก็จะไม่ต้องสงสัยเราก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่พอเราปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้ผล <pues Arsenal. S 1> การจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนี้ไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์นะอยู่ที่ตัวเราว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ <S <S <cosplay. S 1> ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้ผลปฏิบัติ ด, ดีเป็นอย่างไร ปฏบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มร้อย<ม>ทำเต็มที่<ม>ทำทานก็ทำเต็มร้อยรักษาศีลก็รักษาเต็มร้อยภาวนาก็ภาวนาให้เต็มร้อยทำให้เต็มที่ใช้เวลาของของชีวิตของเราให้เต็มร้อยด้วยด้วยการปฏิบัติ<ม>อย่าเสียเวลาไปกับการทำอะไรอย่างอื่นที่ไม่มีคุณมีประโยชน์ ที่มนทีไม่ได้ช่วยให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ทำแต่สิ่งที่จะช่วยให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นอันนี้เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติถู ก, ถกทางถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสติเราก็ต้องหมั่นเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี่พยายามควบคุมจิตไม่ให้ลอยไปลอยมา ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เลิกคิดถ้าเราอยากจะให้อยากจะได้สมาธิอยากจะได้อุเบกขาอยากจะได้ความนิ่งความสงบความสุขของใจเราต้องฝึกการหยุดคิดให้ได้ถ้าเราหยุดคิดได้นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่คิดอะไรได้เดี๋ยวใจเราก็จะรวมสู่อัปปนาสมาธิ เข้าสู่ฌานเข้าสู่สู่อุเบกขาเข้าสู่ความสงบอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องเชื่อต้องปฏิบัติตามเราต้องปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราอยากจะได้ผลถ้าเราปฏิบัติวันละนิดวันละหน่อยนี่มันไม่พอมันเหอนกับเหมือนกับทำงานทำงานแค่วันละชั่วโมงนี้ รายได้มันจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายของเรา<ม>เราต้องทำงานตั้งแต่เช้าถึงเงยน็นตั้งแต่8โมงถึงห้าโมงเงยน็น<ม><ม>เราถึงจะได้เงินเดือนเต็มร้อยได้เต็มที่ฉะนั<ม>ในผลของการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราจะได้ผลเต็มร้อยเต็มที่ก็อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเราต้องขยนัน<ม><ม>ต้องทำให้คนอื่นทาแทนเราไม่ได้ งานปฏิบัตินี้เป็นงานของเราคนอื่นทำแทนเราไม่ได้เทพเจ้าเจ้าทาแทนเราไม่ได้พระอริยสงสาวกคคูบาอาจารย์ท่านทำแทนเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองลนะเราทุกคนนี้สามารถกระทำได้ไม่ว่าเราจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ที่การปฏิบัติ ปฏิบัตินี้มันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจผู้ที่ปฏิบัติจริงๆคือใจใจนี้ไม่มีเพศว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดใจนี้สามารถทำตามที่พระเจ้าสอนได้ทุกประการเพราะฉะนั้นเราอย่าอ้างว่าเราเป็นหญิงเราไม่ได้เป็นนักบวชอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ อันนี้ไม่ใช่เป็นความจริงเพราะว่ามีคนที่เขาเป็นผู้หญิงมีคนที่เขาไม่ได้เป็นนักบวชที่เขาได้ปฏิบัติและได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้มไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่อายุว่าเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวหรือเป็นคนแก่<ม>อันนี้ไม่ได้เป็นปร ะ, ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ เมื่อเรามีความเชื่อแล้วเรามีความเพียรที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เมื่อเรามีความเพียรศึกษาแล้วเรามีความเพียรจะปฏิบัติหรือไม่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเจอความทุกข์ยากลำบากเราจะมีขันติมีความอดทนหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำานึ่งถึงต้องพยายามทำสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ให้ได้ สร้างศรัท ธ, ธาขึ้นมาความเชื่อสร้างความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติสร้างความขันติความอดทนอดกัน้นเวลาที่เราปฏิบัติแล้วเจออุปสรรคต่างๆเราต้องอดทนเราต้องอดกัน้นไม่ท้อแท้ไม่เบือ่อไม่ยกทงขาวไม่ไม่ยอมแพ้สู้ไม่ถอยเท่านั้นเราถึงจะสามารถที่จะ บรรลุดสามารถปฏิบัติให้ได้ผลที่เราต้องการได้ขอให้เราดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างของพระอริยสงสาวกคือพระสุปฏิปันโนทั้งหลายว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรท่านสู้ไม่ถอยท่านกล้าหาญท่านไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายท่านอยู่แบบขอทานท่านอยู่ในป่าในเขา อยู่ในที่ที่ไม่สุขไม่สบายทางร่างกายแต่เป็นที่ที่สนับสนุสนการปฏิบัติทางจิตใจเพราะเวลาอยู่ในป่าในเขานี้เป็นสถานที่สงบสนัดวิเวกเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติ mm hmm. ถ้าปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทสถาน ท, ที่ที่สบายมันจะทำให้เราเกียดข้านจะทำให้เราไม่ค่อยอยากจะปฏิบัติ เพราะมันสบายพอสบายเราก็อยากจะกินอยากจะนอนกันมากกว่าแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มันทุกข์ยากลาบากนี่มันมันจะบังคับให้เราต้องปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะอยู่กับความทุกข์ยากลาบากไม่ได้พอเราพอเราปฏิบัติใจเราก็จะอยู่กับความทุกข์ยากลาบากได้แล้วก็จะก้าวหน้าด้วยการปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติจึงต้องยอมรับว่า ถ้าอยากจะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกนี้จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติแบบ <c oughs> สะเทินน้ําสะเทินบกเป็นพวกที่นอนกระดินงกินอระสายได้ <c oughs> ถ้าปฏิบัติแบบแบบคนรวยแบบคนแบบสะดวกแบบสบายนี้ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้ <c oughs> เพราะทางสะดวกความสบายทางสุขทางกายนี้ มันเป็นอึดมันเป็นตัวขวางกั้นการที่เราจะบรรลุทำได้มันเป็นเรียกว่าการมันทะความติดอยู่กับความสุขสบายทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสสดชั่วชาตชนิดต่างๆเราต้องดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าถ้าถ้าการปฏิบัติแบบสุขแบบสบายแล้วทําให้บรรลุได้เทพพิจ้าก็ไม่ต้องออกจากพระราชวังไม่ต้องสลละราชสมบัติ พระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในวังปฏิบัติในวังไปปฏิบัติไปแล้วก็มีคนมาคอยรับใช้คอยนาอาหารเครื่องดืมด่มอะไรต่างๆมาเสิร์ฟอยู่เรื่อยๆถ้าอยู่ในวัดนั้นรับประกันได้ไม่มีวันที่จะตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเลยต้องออกจากวังไปเพราะรู้ว่าความสุขสบายทางร่างกายทางสุขสบายทางกามทางรูปเสียงกลิ่นรสโถสระนี้ มันเป็นไม่วรมันเป็นทางขวางกั้นสู่ความสงบของจิตใจต้องไปอยู่ที่ปราศจากความสุขความสบายทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะสามารถทําให้ใจนั้นเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นถ้าเราต้องการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์เราอย่ากลัวความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเราต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ เหมือกับเวลาที่เราต้องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของทางร่างกายบางทีเราก็ต้องไปผ่าตัดกันซึ่งการผ่าตัดมันก็ต้องเจ็บแต่ถ้าเราไม่ผ่โาโรคภัยที่เราเป็นอยู่มันก็จะไม่หายเราก็ต้องยอมยอมทนกับความเจ็บที่จะเกิดจากการไปผ่าตัดแต่หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วพอแผลหายแล้วอาการเจ็บปวด ก็จะหายไปเหลือแต่ร่างกายเราก็อยู่สุขอย่างสบายต่อไปได้แผนการปฏิบัติก็เหมือนกับการไปผ่าตัดจิตใจของเรานั่นเองจิตใจของเราตอนนี้มีความทุกข์มากและวิธีที่จะทําให้จิตใจของเราหายทุกข์เราต้องผ่าตัดใจของเราผ่าตัดใจของเราด้วยการภาวนาด้วยการติดกุยเวย่ยด้วยการไปอยู่ในที่สงบสลัด ไปอ ย, อยู่ที่ที่ห่างไกลจากทางสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องไปอยู่แบบทุกข์ยากลำบาก<ม>ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง<ม>ตอนที่เสด็จออกจากพระราชวังนี้ท่านไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยมีแต่ชุดของเจ้าชายไปอยู่ชุดเดียวทั้งนี้แล้วก็ขี่ม้าไปถึงชายแดนพอถึงชายแดนท่านก็เดินต่อไปให ให้มหาเล็กเอามากกับพื้นสุราชวงศ์ราชวังไปตัวท่านเองก็มุ่งไปหาสถานที่ปฏิบัติไปหาสำนักที่มีครูบาอาจารย์ระหว่างทางก็ไปเจอขอทานขอทานเห็นท่านแต่งตัวสวยงามก็อยากจะได้ชุดของของท่านก็ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนชุดขอทานแรกเป็นชุดของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะก็ยินดีอยากจะเป็นขอทานอยู่แล้ว เพราะ่าถ้าใส่ชุดขอทานแล้วจะได้ไม่มีใครรู้จักท่านไม่มีใครมายุ่งมารมารบกวนท่านท่านก็เลยเปลี่ยนเอาชุดขอทานมาใส่แล้วเอาชุดเจ้าชายให้กับขอทานใปนั่นแหละต้องดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าท่านทำตัวอย่างไรท่านถึงได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าท่านถึงได้หลุดพ้นจากกองทุกข์็นการเวียนมาตายเกิดได้ ท่า น, นต้องอยู่แบบทุกข์ยากลำบากอยู่แบบขอทานอยู่แบบตามมีตามเกิดอาหารก็ไม่ได้เลือกแค้นว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็ไปบิณฑบาตเอามีอะไรมีอะไรที่เขาให้ใส่มาได้ก็กินไปตามตามมีตามเกิดการกินกันอยู่นี้ต้องเป็นแบบสันโดษมันดบบมากน้อย เอาเท่าที่พอมีพ อ, มพอกินก็พอหรือถ้าไม่มีไม่พอก็ยินดีตามมีตามเกิดไปถ้าทำอย่างนี้ได้ใจก็จะได้ไม่ทุกข์ตการกินการอยู่ของนักบวชเพราะนักบวชนี้ไม่มีรายได้ไม่มีงานทำงานของนักบวชนี้ไม่มีเงินเดือนงานภาวนานี้ไม่มีเงินเดือนถ้าอยากจะทำงานภาวนานี้จาเป็นจะต้องอยู่แบบนักน้อยสันโดษ อยู่ตามมีตามเกิด อ, อยู่แบบขอทานพระวจนะสมัยพระพุทธเจ้านี่ถ้าปฏิบัติท่านเป็นปฏิบัติแบบขอทานบิณฑบาตอาหารจากชาวบ้านผ้าจีวรก็ไปเก็บเศษผ้าหรือผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าผ้าหอ่อศพเอามาซักกอามาย้อมเอามาตัดเอามาเย็บตามตามีตามเกิดไม่มีเงินทองที่ไปซื้อผ้าในร้านอย่างสมัยนี้ ท่านไม่ใช้เงินใช้ทองกันเพราะแม้ท่านไม่มีเงินเดือนท่านต้องใช้ความความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่พึ่งตนเองอยารักษาโรค ก, ก็ใช้น้ำปัสตวะดองดองสมอนองผลไม้าบางชนิดแล้วเวลาที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มน้ำน้ำดองเหล่านี้ก็พอรักษาหายได้ แต่ท่านจะได้ไม่ต้องมีภาวะที่มกกันต้องหนักจังวลเกี่ยวกับการที่จะไปหาเงินทองมาซื้ออาหารมาซื้อที่อยู่อาศัยมาซื้อเสื้อผ้ามาซื้อยารักษาโรคอย่างพวกเราท่านสามารถอยู่แบบขอทานได้อยู่แบบตามมีตามเกิดได้การอยู่แบบนี้แหละเป็นการเอื้อต่อการปฏิบัติ เพราะทำให้จิตใจของท่านไม่ต้องมาภาวะโลควนปับการที่จะต้องมาคอยหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงร่างกายด้วยปัจจัย4ิ่งนี้ใจของท่านก็เลยไม่มีเรื่องที่จะต้องกังวลไม่ต้องคิดมากทําให้สามารถเจริญสติได้ง่ายไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรทําให้จิตของท่านเข้าสู่ความสงบได้ง่ายพอจิตเข้าสู่ความสงบแล้วท่านก็ได้ความสุข เ่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการอยู่แบบรู้ลราอยู่แบบุ่ำฟวยอยู่แบบคนรวยความสุขที่ได้จากการอยู่แบบคนรวยนี่สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ถ้าอยู่แบบคนรวยจะมันจะทำให้การเข้าสมาธินี้เข้าได้ยากถ้าอยู่แบบขอทานอยู่แบบยินดีตามมีตามเกิดมันจะทาให้เข้าสมาธิได้ง่ายที่ละที่มาของ วิธีการปฏิบัติของภาคปฏิบัติพาะสุปฏิปันโนทั้งหลายท่านอยู่แบบมากน้อยอยู่แบบสันโดษยินดีตามมีตามเกิดในเรื่องของปัจจัยสิ่งสถานที่ที่ท่านต้องการก็คือสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกไม่ต้องเกี่ยวข้ อ, ของกับใครไม่ต้องยุ่งกับใครเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมาลบควนใจ จึงทำให้ท่านสามารถเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาและในที่สุดก็ทำให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละคือพระรัตนตรัยของพวกเราที่พวกเราควรจะศึกษากันและเอามาเป็นเยี่ยงอย่างถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ต้อปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาแล้วผลเราก็จะได้รับเช่นเดียวกับผลที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้รับกันอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของพระรัตนตรัยที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยัตถาวาริวะหาปูราปริภุริณติสักหลังเอวเนวะอิทุจินางเตตานังอุปกะรปติอิิตังปฏิตังตุมังทิปะเมวาสลิจัตุสัพเพภุริณตุตังกปาจันทุปนาราสุยัตถานิจโทติ อาราโสยาธาสัิติโวิวัจจันตุ สัพพะโรกโวินาศะตุมาเตภวัตวันตรายยสุขีทีขายุโปภวะอะพิวาฒนสีริสะนิจังมุทธาปะจายาิโนจตารูธรรมวัมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ลาดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือส่งข้อความเข้ามาทางเพจทางยูทู e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่แกรนมัมสการพาร์จา์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับชมทาง Facebook พระอาจารย์506ท่านเจ้าค่ะ YouTube 326่ท่านทางด็อกเตอร์ชท่านวิทยุออนไลน์4ท่านครับ h o u s ์8ท่านนากุติ90ท่านรวมทั้งหมดเป็น996ท่านเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนากุติเจ้าค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะ เอากระดาษทิชชู่เช็ดมดมดไม่ตายแล้วปล่อยกระดาษลงไปขณะที่รถวิ่งอยู่เป็นบาปหรือผิดศีลไหมคะถ้ามันไม่ตายก็ไม่ผิดย๋ยวาําให้มันตายก็แล้วกันถ้าอยากจะเมตตาก็เอาใส่กล่องไว้แล้วไปปล่อยที่รถจอดแล้วก็ไปหาที่ปล่อยมั มีคำถามจากคุณต์ประสิทธิ์เจริญสติเจริญสติต่อเนื่องแล้วเห็นความคิดแล้วทำไมคิดอะไรก็น้ำตาไหลคิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้ผิดทางหรือเปล่าครับและควรปฏิบัติอย่างไรจึงถูกทางครับอย่าค้นไม่ให้คิดไงปฏิบัติไปถ้าคิดก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดเราต้องการให้ใจนิ่งให้ใจว่างจากความคิด ใจจะมีความสุขคำถามจากคุณสกายแลบุญบารมีจิตสภาวะฌานเป็นอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรให้ถึงขั้นหลุดพ้นพระอาหารหันต์สาธุครับจิตสรทธาเลยนะไปอ่านใหม่เพือาเข้าใจ จิตสภาวะฌานเป็นอย่างไรควรปฏิบัติต่ออย่างไรให้ถึงขั้นหลุดพ้นพระอรหันต์สาธุครับต้องเข้าฌานต้องอันนี้ของบอกไม่ได้ว่าเป็นยังไงต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองพูดได้ว่ามันสงบมันเย็นมันสบายเหมือนเข้าห้องแอร์เวลาไม่ได้เข้าฌานนี่มันเหมือนอยู่ข้างนอกข้างนอกบ้านที่มันร้อนวุ่นวายพอเข้าฌานแล้วมันเงียบมันนิ่งมันสงบมันสบาย คำถามจากคุณมิยาดากราบเรียนถามพระอาจารย์สุชาตินะคะเคยได้ยินว่าถ้าค า, ารวาสบรรลุอรหันต์ต้องบวชถ้าไม่บวชจะดับขันปริธิพานจิตวันจริงไหมคะและเพราะอะไรคะจริงๆเราถ้าเป็นพระอรหันต์ก็บวชแล้วบวชใจแล้วไม่ต้องไปบวชร่างกายแล้วร่างกายเป็นเพียงเครื่องแบบเท่านั้นเองไม่เหมือนสมัยนี้บวชร่างกายแต่ใจเป็นเลยิง มันไม่เกี่ยวกันอ่ะคนจะตายไม่ตายไม่ได้อยู่ที่ห่มผ้าเหลืองกอไม่ห่มผ้าเหลืองอ่ะห่มผ้าเหลืองก็ตายเมื่อถึงเวลาไม่ห่มผ้าเหลืองก็ตายไม่เกี่ยวกันคนเราไปโยงกันแบบไม่รู้ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ให้มีอยู่ในคําสอนพรูอาจารย์ไม่สอนว่าถ้าเป็นคารวะบรรลุเป็นพระอรหันต้องบวชภายในเจ็ดวันนี้ไม่มีในคําสอนรับประกันได้นี่ไม่ต้องกลัวไม่เกี่ยวกัน คนจะตายไม่ตายไม่ได้อยู่ที่บรรลุหรือไม่บรรลุคนไม่บรรลุตายกันเยอะแยะกันคนบรรลุก็ตายไม่เกี่ยวกันเมื่อถึงเวลาจะต้องตายไม่ว่าจะเป็นบรรลุหรือไม่บรรลุมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็ไม่ตายกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณแม่เส้นเลือดสมองแตกต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้อาหารทางสายยาง ถอดเครื่องช่วยหายใจเลือกให้แม่ไม่ทรมานทำได้ถ้าเราไม่เรายึดเหตุการการการรักษาท่านเองแต่เราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทําให้ท่านตายที่ท่านตายเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะหายใจเองได้หรือทําอะไรเองได้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นการฆ่าคําคถามจากคุณคันชิตเจ้าค่ะน้อมกราบพระอาจารย์ขอ รับนั่งสมาธิได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นั่งไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่รู้สึกว่านั่งแป๊บเดียวแต่ได้ชั่วโมงเร็วครับก็ดีนั่งบ่อยๆสิ่งที่ควรจะได้เวลานั่งสมาธิก็คือความสุขถ้ายังไม่สุขก็แสดงว่ายังไม่เป็นสมาธิอาจจะนั่งหลับก็ได้ถ้าเป็นสมาธิก็มันจะสุขมันจะรู้สึกมหัศจรรย์จจใจ ก็เป็นความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนอถ้ายังไม่เจอก็แสดงว่านั่งหลับไปมากกว่าหรือยังนั่งไม่สงบมีคำถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะมีท่านผู้กล่าวไว้ว่าปฏิจะสมุปปาทเป็นอริยสัจ ส, สี่ใหญ่คือที่ละเอียดมากรบกวนพระอาจารย์อธิบายด้วยค่ะอ๋อถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่ต้องอธิบายหรอก เพราะว่าอธิบายไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันมีความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติฉะนั้นลองไปปฏิบัติ ด, ดูก็นแล้วกันปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองมีคําถามจากคุณเรียวค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่ากฎแห่งแรงดึงดูดมีจริงหรือเปล่าคะกฎของแรงดึงดูดข่าวก็เนี่ยแรงดึงดูดของโลกไง วนพวกเราไม่ลอยขึ้นไปรับเราอยูดติดกับดินใบไม้มที่ล่วงจากต้นไม้มันก็ไม่ลอยขึ้นไปมันถูกแรงดึงดูดดึงลงมายังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะไอนี้ก็กลับบ้านกันดีกว่านะฝนตกก็ <laughs> ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติ เจอความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ